เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปี สันห้ารอยสี่สิบเก้าวันเวลาก็รู้สึกว่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะร้องปีใหม่กันนี่ก็ต้องมาส่งท้ายปีเก่ากันอีกแล้วเพราะเวลาเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่น้นไม่นิ่งอยู่กับที่เป็นสิ่งที่ไหลไปเหมือนกับกระแสน้ำ มาแล้วก็ไปไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีก <c oughs> เวลาจึงมีคุณค่ามากเพราะพุทธองค์ทรงสัจสอนให้พวกเราควรถามตัวเราเองอยู่เสมอว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำความดีหรือเรากำลังทำบาปเรากำลังกำจัดความโลภความโกรธความหลง หรือเรากำลังส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงให้เกิดมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการกระทาของเราจะเป็นเหตุที่จะนำมาสิ่งที่เราปรารถนาและสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่ปรารถนาก็คือความสุขความเจริญสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็คือความทุกข์และความเสื่อมเสีย ทั้งสองสิ่งนี้เกิดจากการกระทาของเราทั้งสิ้นถ้าเราทำดีกำจัดความโลภความโกรธความหนุนละเว้นจากการกระทาบาปผลดีคือความสุขและความเจริญก็จะตามมาถ้าเราไม่กระทำความดีไม่ละเว้นจากการกระทำบาปไม่ชำระจิตใจไม่กําจัดความโลภความโกรธความหนุง ผลเสียก็จะเป็นผลที่ตามมาความทุกข์ความวุ่นวายใจก็เป็นสิ่งที่จะตามมาและเมื่อชีวิตของเราถึงจุดหมายปลายทางคือสิ้นสุดลงจิตใจของเราก็จะต้องไปเสวยบุญเสวยกรรมที่เราได้กระทำกันอยู่ในขณะนี้และในอนดีตที่ผ่านมา และในอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็จะเป็นตัวส่งให้เราไปเกิดที่สูงที่ต่ำตามแต่บุญตามแต่กรรมที่เรากระทำกันเอาไว้ <c oughs> พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราได้ทรงตัดสู้เห็นหลักของกรรมอย่างชัดแจ้งแล้ว เห็นทั้งเหตุคือการกระทาําทางกายทางวาจาและทางใจเห็นทั้งผลคือความสุขความเจริญสวรรค์มรรคผล น, ผนิพพานเห็นทั้งความทุกข์ความเสื่อมเสียเห็นนรกเห็นอบายเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจนและทรงสามารถพัฒนายกจิตใจของพระองค์ ให้หลุดพน้นจากการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ร่างกายได้แต่สลายดับไปแล้วจิตของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเพราะจิตได้ถึงจุดสูงสุดคือพระนิพพานเป็นจิตที่มีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอปราศจากความทุกข์ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ตามการพัดพลาดจากกันก็ตามทุกแบบนี้จะไม่มีกับจิตที่ไม่เกิดอีกต่อไปส่วนจิตของพวกเราถ้าพวกเราทําความดีกันเราก็จะได้เวียนอยู่ในสุขคติได้เป็นมนุษย์บ้างได้เป็นเทพเป็นพรหมบ้างแล้วก็ในที่สุดก็จะได้เป็นพระอริยเจ้า ได้บรรลุถึงพระนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถ้าเราหมั่นทำความดีละการกระทำบาปชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่เป็นงานเป็นการกระทำที่เราควรที่จะทำอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยการถามตัวเองอยู่เสมอว่า วันเวลาล่วงผ่านไปล่วงผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะถ้าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตแล้วเราจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะต้องไปใช้บุญใช้กรรมกรรมที่เราได้สะสมมาแต่ถ้าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรามั่นสะสมคุณงามความดีละการกระทำบา กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเราจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์พวกเราทุกคนที่จะสามารถปฏิบัติกันได้เพราะถ้าไม่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลา มาประกาศพระศาสนามาสั่งสอนให้กับพวกเรานั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนให้กับผู้อื่นสั่งสอนให้แต่มนุษย์เป็นส่วนใหญ่ส่วนเทพนั้นก็มีบางส่วนเท่านั้นที่จะขวนขวายแล้วมากราบขอฟังพระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าส่วนพวกเลราชานหรือสัตว์ที่อยู่ในอบายทั้งหลาย ก็จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ได้เลยมีแต่พวกเราเท่านั้นที่เป็นผู้ที่สมควรผู้ที่เหมาะสมที่สุดกับกับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐ น, นี้และก็มีมนุษย์หลายคนด้วยกันนับจำนวนไม่ถ้วนที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้ว ด้วยการนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปปฏิบัติอย่างขมักขะม้นอย่างขยัน <c oughs> ไม่ท้อแท้ <c oughs> ถึงแม้จะยากจะลาบากเพียงไรก็ไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเป็นสิ่งที่ตนคิดว่าสามารถทำได้และก็ทำได้จริงๆได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนับเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทร <c oughs> งประกาศพระธรรมคำสอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> ก็มีมนุษย์อย่างเราอย่างท่านที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่มีศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติจนสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกาจับ ด, ด้วยการและเวลาหรือสถานที่ไม่ได้หมายความว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะสามารถปฏิบัติได้บรรลุผลได้เพียงแต่เฉพาะในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมชีพอยู่แต่เป็นธรรมะที่เป็นอาการิโก คือไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นธรรมะที่ขึ้นกับเหตุกับผลถ้ามีเหตุที่ไหนผลก็จะต้องมีที่ตรงนั้นถ้ามีเหตุอยู่ในบุคคลใดผลก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเหตุนี้ก็คือการกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติคือให้กระทาความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปกรรมทั้งหลายให้หมดสิน้น และให้กำจัดความโกรธความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอด้วยการฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะ ผล น, นั้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงสาวกแต่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ า, ากราบใดยังมีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่กราบนั้นพระอหรหันจะไม่สิ้นไปจากโลกนี่คือหลักประกันการหลุดพ้นการไปถึงพระนิพพานการเป็นพระอหรหัน ไม่ได้อยู่กับใครที่ไหนไม่ได้อยู่กับการกับเวลาแต่อยู่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสติลำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเรากาลังทาสิ่งต่างๆที่ไร้สาระสิ่งต่างๆที่ไร้สาระก็คือ รับสมบัติเข้าของเงินทองลาบยศต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระเพราะอะไรเพราะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ไม่สามารถกําจัดภบชาติที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถกําจัดได้ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์มีสาระอย่างแท้จริงดังนั้นจึงขอให้เราอย่าหลงทางถ้าหลงทางแล้วก็จะไปติดกับของมารติดกับของของบาปกรรมทั้งหลาย <Yeah. S 1> เพราะความโลภจะฉุดลากให้เรานั้นไปกระทํา ในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องมาเสียใจภายหลังเวลาเกิดความโลภมากๆก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทางให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยที่คิดว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแต่มันไม่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเช่นคนที่เขาต้องการเงินมากๆอยากจะมีเงินไปเที่ยวเขาก็ไปลักขโมยเขาก็คิดว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้อง ในเมื่อเขาต้องการในสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเมื่อคนอื่นเขามีก็เป็นจิตของเขาที่จะไปขโมยของคนอื่นมานี่จะเป็นความคิดของความมืดบอดคือของความหลงจะคิดอย่างนั้นเสมอเวลาต้องการอะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องที่ดีที่งามก็จะคิดแบบนี้กัน ถ้าไม่คิดแบบนี้กันแล้วนับรองได้ว่าจะไม่มีโจรผู้ร้ายอยู่ในโลกนี้เป็นเด็ดขาดแต่เป็นเพราะว่ามีคนคิดกันอย่างนี้อยู่มากนั่นเองบ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย <c oughs> ไม่มีว่างเว้นแต่ละวันที่จะไม่มีข่าวเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเพราะจิตใจของบุคคลเหล่านี้เป็นจิตใจเหมือนของเด็กไร้เดียงสา เด็กเราก็รู้อยู่ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่คอยสอนไม่คอยห้ามเด็กก็จะทำอะไรไปตามภาษีภาษาของเขาจะถูกจะผิดจะดีจะชั่วจะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์อย่างไรเขาไม่มีปัญญาที่จะสามารถแยกแยะได้เขาก็จะทำไป <c oughs> ตามเรื่องของเขาจิตของพวกเราแม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามแต่สถานภาพจิตของเรานั้นก็ยังไม่ต่างจาก เด็กไร้เลียงสาทักเท่าไหร่ถ้าตาบใดเรายังหลงอยู่กับอบายามุขต่างๆเช่นหลงอยู่กับการเสพสุรายาเมาหลงอยู่กับการเที่ยวกลางคืนหลงอยู่กับการเล่นการพนันหลงอยู่กับกของฟุ่มเฟือยต่างๆนานาถ้าเรายังมีความปรารถนาในสิ่งเหล่านี้อยู่หรือหลงอยู่กับลาบยศสารเสริญสุข ทุขที่เกิดจากการได้เสพลูกเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆดหลานี้ถ้าเรายังมีความพอใจมีความยินดีก็แสดงว่าจิตของเรานั้นยังไร้เดียงสายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเหมือนกับเด็กที่เราเห็นกันอยู่เด็กเราก็รู้อยู่ว่าจะไม่มีทางที่จะสามารถ พาตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่เช่นบิดามารดาคอยเลี้ยงดูคอยสั่งสอนอาศัยครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆให้ความรู้จึงจะสามารถพอที่จะมีปัญญาพอที่จะเอามาเลี้ยงชีพได้เท่านั้นแต่ยังไม่มีปัญญา ที่จะมาแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต้องอาศัยปัญญาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถชี้บอกให้เห็นได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับตนเองอะไรจะนา ม, มาซึ่งความทุกข์อะไรจะนำมาซึ่งความสุขวิชาความรู้ต่างๆในโลกที่เราเรียนกัน มากมายกายกองจนถึงระดับปริญญาเอกก็ไม่มีความสามารถที่จะช่วยเราได้ในยามที่เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องราวต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพาจากกันการทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย และความทุกข์ที่เกิดจากความตายดังนี้ความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เลยดังที่สุภาษิตเขาพูดไว้ว่ามีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจบปริญญาระดับไหนก็ตามเมื่อเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความแก่เจอความตาย <c oughs> เจอการพัดพลากจากกัน ก็ไม่สามารถที่จะระงับดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้แต่พระแต่ผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบเช่นพระอาริยสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถระงับดับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงนี่คือความแตกต่างกัน ระหว่างความรู้ทางโลกและความรู้ทางศาสนาความรู้ทางโลกยังไม่ได้ทำให้เราเป็นคนฉลาดเรายังยังเรายังไม่พ้นจากความเป็นผู้ไร้เลียงสาอยู่แต่ความรู้ทางธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นคนที่ฉลาดจริงรู้จริงสามารถช่วยตัวเราเองได้ ให้หลุดพ้นจากบ่วงของความทุกข์ทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงอยู่ที่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้นี้ขึ้นมาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพุ่งเป้าไปชีวิตของเราเกิดมานี้เกิดมาก็เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งป่วงไม่ได้เกิดมาเพื่อมาสะสมกองทุกข อย่างที่พวกเราสะสมกันอยู่เพราะความหลงในจิตในใจของพวกเรานั่นเองเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจักเป็นดอกบัวจึงคิดว่าเมื่อได้ลาบยศสารเสรินมามากมากแล้วจะทำให้ตนเองมีความสุขมีความประเสริฐแต่กับกลายเป็นผู้ที่ต้องทุกทรมานใจสับลาบยศสารเสรินสุขโดยไม่รู้ตัวและไม่มี โดยและไม่รู้ทางออกเสียด้ยซ้ำไปถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาชีวิตของเราก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเกิดในภพไหนก็ตามจิตก็จะหลงยินดีกับราบยศสรรเสริญศึกไปตลอดสิ่งเหล่านี้สังเกตดูก็ได้ว่าทุกคนไม่ต้องสอนเลยเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราบยศสรรเสริญสุขนี่ใครๆก็อยากจะได้กันทั้งนั้น ไอ้ไม่ต้องสอนกันเพราะมันฝังลึกอยู่ในจิตในใจส่วนลาบส่วนความยินดีในธรรมะในการกระทำความดีในการละการกระทำบาปในการกำจัดความโลภความโกรธความหลงนั้นกับไม่มีใครสนใจไม่มีใครยินดีเลยเป็นสิ่งที่ต้องคอยพร่มสอนกันอยู่ตลอดเวลาขนาดสอนยันอยู่ตลอดเวลาแล้ว ก็ยังไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยที่จะเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการกระทำเหล่านี้ยกเว้นคนบางจำพวกที่เรียกว่าเป็นพวกบัวเหนือน้ำหรือบัวที่ปิ่ ง, งน้ำเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการบาเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า บุคคลเหล่านี้แลเป็นบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแต่พวกที่อยู่ใต้น้ำแลอ้อยู่ติดกับอยู่ติดกับโคลนกับตมพวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะจะถูกพวกปูกพวกปลาเอาไปทำเป็นอาหารกับกินเป็นอาหาร แต่พวกเรานี้ถึงแม้ยังไม่อยู่เหนือน้าขึ้นมาเรายังสามารถที่จะพัฒนาให้จิตของเรานั้นผุดขึ้นมาอยู่เหนือน้าได้ถ้าเราน้อมเอาสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนไปประพฤติปฏิบัติมากน้อยก็สุดแค้แต่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียร แต่ถ้าได้ทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะเป็นบัวเหนือน้ำขึ้นมาได้และในพบต่อไปข้างหน้าเมื่อได้ไปพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งหรือได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็อาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง ด้วยการสังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นดังที่บุคคลต่างๆได้หลุดพ้นกันในสมัยพุทธกาลได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งสองครั้งก็ได้บรรลุปเป็นพระอารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะบุคคลเหล่านั้นเขาได้สะสมบุญบารมีอย่างที่พวกเรากาลังสะสมกันอยู่ทุกวันนี้ เขาได้ทํามาในอดีตชาติเขาได้ทํามาก่อนเมื่อเมื่อเขาได้มีโอกาสได้ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคําสอนเขาก็สามารถตัดตวงประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่างกับพวกเราที่ถึงแม้จะได้สัมผัสได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่เราก็ยังไม่สามารถตักตวงผลประโยชน์ได้เต็มที่ เพราะภาชนะที่เรามีไว้รองรับนั้นยังไม่ใหญ่เพียงพอเช่นแทนที่จะมีถังใบใหญ่ๆเราก็มีเพียงแก้วใบเล็กๆอยู่ใบเดียวต่อให้เราอยากจะได้มากเพียงไรก็ตา่างแต่แก้วใบเล็กๆมันก็ใส่น้ำได้เพียงเล็กน้อยท่านั้นไม่เหมือนกับถังงใบใหญ่ๆเพราะเราไม่ได้เตรียมภาชนะให้มันรองรับนั่นเอง เรามัวแต่เสียเวลาไปกับการสะสมกับสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราคือตายไปเราก็ไม่สามารถเอาติดตัวเราไปได้ไม่เหมือนกับบุญบารมีที่ถ้าเราสะสมอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นเหมือนพาชนะไว้รองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปถ้าเราสะสมมาก มันก็จะเป็นภาชนะที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนใหญ่เต็มที่ที่พร้อมที่จะรับกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ก็เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญบุญบรารมีเช่นพวกเราทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายได้มากระทำกันอย่างสม่ำเสมอดังนั้นในโอกาสของวันสุดท้ายของปี จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงลำลึกถึงคุณค่าของเวลาชีวิตของเรานั้นมันไม่ยาวขึ้นมันสั้นลงเพราะเวลาที่จะอยู่มันน้อยลงแต่จํานวนปีมันอาจจะมากขึ้นมันก็อาจจะคิดดูว่ามันยาวขึ้นแต่ความจริงมันน้อยลงไปเรื่อยเพราะอายุไขของคนนั้นอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ถ้ามาถึงอายุหกสิบปีก็เหลือ เดืไม่ถึงครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันเวลาจะมียืนยาวนานสําหรับเราเพราะอายุมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนคนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้คนเราจะมีอายุยืนยาวนานถึงขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้บางคนเกิดมาได้เพียงวันเดียวก็ตายไปก็มี บางคนก็ตายไปอายุสิบปีบางคนก็อายุยี่สิบปีบางคนก็อายุห้าสิบแปดสิบปีไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราสามารถาต่งตังประโยชน์ได้เต็มที่ <c oughs> เราจงไม่ควรปล่อยให้มันผ่านไปในเวลาที่เรามีเวลาว่างไม่มีภารกิจการงานที่จำเป็นต้องทํา เกี่ยวกับการดูแลอัตภาพรักษาร่างกายชีวิตของเราเราก็ควรที่จะนำเอามาทุ่มเทกับการสะสมบุญบรารมีกับการเสริมสร้างธรรมะให้มีมากยิ่งขึ้นไปในใจเพื่อจิตใจของเราจะได้มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความเจริญมากขึ้นมีความเสื่อมน้อยลง นี่คือหน้าที่ของเราในฐานะของการเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญอย่าไปมองเห็นอย่างอื่นที่มีความสำคัญกว่าการทำบุญการสะสมคุณงามความดีการละบาปการชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ถ้าเราน่าเมาสิ่งเหล่านี้มาบำเพ็ญแล้วรับรองได้ว่าในวันต่อต่อไปชีวิตเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่ข้างหน้าจึงขอฝากเรื่องราวของการบำเพ็ญบุญบรารมีเรื่องราวของการละเวลาให้พวกเราทั้งหลายนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป